อยากช่วยคนป่วยคนเจ็บหัวใจของเราอยู่ที่คนป่วยคนเจ็บคนแก่คนหนุ่มคนสาวไม่น่าไปหว่วงหรอกเพื่อเล่นเนด่นเฉยๆเจอกินแล้วก็ได้ฟังทำจากพระพุทธเจ้าเอา ขึ้นเขียงเลยกว่าทายสองอย่างากรรมสันติการโยกปัตติมทานโยบเอาขึ้นเขียงเดินทางมาพูดเรื่องนี้สามร้อยกว่าหมอจากคุทธกยามาพา ร, าร้านชี ร้อนในวิชานี่มากสมัยพระองค์ได้ตัดสรู้ใใหม่แต่สอนใครสะสอนใครใครจะเป็นผู้ฝังเรื่องนี้คิดถึงปัญจวัคคีซึ่งเคยสมบุกสมบูรณ์ได้จากศึกษาเรื่องนี้ก็ ลิงไปทิ้งไปมองไปเดินทางด้วยเท่าเปล่ามาเรียกมาถามไม่ต้องอะไรเลยเอาขึ้นเลยเรียกมาแล้วโชว์ขึ้นจับขึ้นเขียงเรื่องนี้ ล้าก็โชว์หลักปฏิบัติในหลักมรรยางแบบมีเครื่องมือให้ด้วยเพื่อทำเรื่องนี้เมื่อชมพักหนวงแตดเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการเดินการทำเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งขึ้นมาเพื่อเกิดจกักษุเกิดย้อนเกิดปัญญาขึ้นมา โชว์ถึงหลอกอริสัจสี่เข้าไปเลยเอาให้เกลี้ยงเลยทีเดียวเด็กไม่ได้ผู้ที่มีเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนความถูกต้องไปตามสาย เสมือนหมอตรวจโรคพบเชื่อโรคในร่างกายทาตัดเอาออกได้ตามความถูกต้องแล้วก็ออกได้หายป่วยหายเจ็บได้แต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินทรรมจัดนี่สมัยเราปฏิบัติใหม่ใหม่ สี่ิห้าสิบปีก่อนไม่เคยได้สวดอย่างนี้ไม่เคยได้ยินอย่างนี้อาศัยกรรมฐานเบิ่จงกรมไม่สติดูกายดูจิต ด, ดูกายเคลื่อนไหวตามวิชากรรมฐานไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ ไม่ดอา่านม่ชาธยายสวดเหมือนพวกเราเดินจงกรมอยู่ไต้ต้นขาขี้หมูในรูเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นกระแสให้ทำให้เห็นทิศเถียงทางเห็นนั่งอยู่บนกติได้ทำกับปาถานยกมือเคลื่อนไหวไ ป, ไปมามีสติ อาศัยกายอาศัยจิตเป็นที่เกิดที่ตั้งแห่งความรู้จึกตัวเราใช้ความรู้จึกตัวให้เกิดความรู้ที่หยิบเข้าไปเกิดอะไรขึ้นทีนั้นทำเห้เรา เ, เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับแต่ก่อนมืด อมันมืดเปิดแสงสว่างขึ้นในความมืดเหมือนกับคนสง่งแสงสว่างให้สติเป็นอย่างนั้นเอาใดที่มีอะไรเกิดขึ้นที่กายโดยพวกขวางคิดเหมือนกับพวา ม, มืดมีสติเหมือนกับ สองแสงสว่างให้กับความคิดหมืนมืดบึกบือดุนดอมไปในอากา ร, รต่างๆที่เคยชินที่เคยคิดนาคนมีลูกคิดถึงลูกคนมีเมียคิดถึงเมียกดหลงทิศหลงทางสติขึ้นมาเห็นสง ส, งส ว, งว่างระวางความมืดกับแสองสว่างเกิด ข, ขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเหมือนที่ถึงทางเราติดตามเรื่องนี้สองสามครั้งเกิดความเท็จความจริงความถูกต้องความไม่ถูกต้องที่กาดที่ใจเกิดขึ้นมาเป็นคู่กันตั้งแต่วันนั้นเรารใช่ การกระทำวันนั้นผลจากวันนั้นได้ใช่ถึงวันนี้ในครองไม่ถูกต้องกับวายกับใจได้เกิดความถูกต้องขึ้นกับวายกับใจมันก่อนแล้วไปแล้วมันก่นแล้วไปแล้วอย่างไหนไม่ถูกต้องไอ่ทําแล้วให้ถูกต้องแล้วจึงไหน ถูกต้องไม่ได้ต้องทําอีกมันแล่วไปแล้วไม่เสื่อมไม่หายไปไหนไม่เหมือนกับสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างแล้วก็ยังเสื่อมยังโซมส่วนสร้างควมถูกต้องที่เกิดกับจากกังไกนี่ไม่เสื่อมไม่โซมเป็นสมบัติของชีวิตเราอันนี้ เขาใช้ความนุ่มสร้างขึ้นมาถ้าจะแกะจะสร้างได้หรือเปล่าก็มาดูนนดันนี้เราก็เจอก็ยังคิดยังสมบัดดูยังเห็นว่ามั่นใจว่าทำได้ทำได้ไม่เอาความแกอความหนุ่มเป็นเรื่องตัวลองมันอยู่กับตม ก, ไก็ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเป็นการบําเพ็ญทางจิตโดยตรงการบําเพ็ญทางจิตนี่ไม่ได้ความแก่ความหนุ่มไม่ได้เป็นเพศเป็นวัยความคิดความหลงเกิดจากความคิดความคิดเกิดจากความหลงไม่ไม่เกี่ยวกับหนุ่มกับเจอไม่เกี่ยวกับเพศกับ ว, วัย เป็นของธรรมชาติธรรมดาที่ันเกิดขึ้นได้จึงมีหลักปฏิบัติโดยเฉพาะกับมาฐานนี่ควบคุมมากที่สุดก็พูดถึงหลักปฏิบัติมันก็ครบอยู่ในมักอย่างแกิมักอยแบบ่างกิลงมาอยู่ที่สิลสมาธิปัญญา สิ่งสมาธิปัญญา ก, ก็คือหลากระดิษั์สิสติดูคอยเคลื่นไหวดูใจคิดนึกมันเป็นเข้าเป็นเข้าเป็นการเข้าวงไงไปเลยเล่นวงในไปเลยรู้เวลามันหลงรู้ระหว่างความหลงเป็นความรู้นี่เป็นสิทธิ เป็นศีนแล้วนะเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็พความถูกต้องศีลเกิดอย่างนี้สมาธิเกิดจากนี้ปัญญาเกิดจากนี้ไม่ต้องไปเรียนศิลไปเลียนสมาธิไปท่องไปท่องจําทําให้มีทำให้เกิดขึ้นมาทําให้มีได้ทำให้เป็นได้อาศัยกายอาศัยใจทำให้มีพภาปท่รูนี้ได้แล้วทําได้แล้ว ทำได้แล้วทำเป็นแล้วมันกายใจนี่เป็นที่เกิดของศีลคศสมาธิปัญญาได้แล้วทำให้เป็นไปได้แล้วถูกต้องแล้วแต่ก่อนทำไม่เป็นแล้วเจอเหตุปัจจัยจะพาไปมันหลงก็พาให้หลงมันทุกข์ก็พาให้ทุกข์ มันฉุ ก, ก็พอให้ฉุกมันเกิดไหลขึ้นก็เป็นไปตามมันแบบ น, นี้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นเปิดขัดไปเปิดขาดไปโดยเฉพาะวิชากรรมาฐานนี่เป็นวิชาที่ตรงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมีคำถามตรงกันข้ามระหว่างความหลงกับความไม่หลง ความหลงกับความรู้จึกตัวตรงกันอย่างนี้ความรู้จึกตัวคือความไม่หลงแลหว่างความทุกข์ตรงกับความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์กับความรู้จึกตัวนี่คือความไม่ทุกข์มันตรงกันอย่างนี้ความตรงอย่างนี้อธิบายไม่ได้ผู้ที่ฝึกหัดพูดสัมผัสจะรู้เองถ้าไม่ฝึกหัดไม่ได้สัมผัสจะไม่รู้อธิบาย อธิบายทำไมคนที่ฟังทำไม่เป็นถ้าไม่หัดเหมือนกันเราชีมรสอาหารเราอยากรู้เรื่องเผ็ดก็จัดกินพริกลองดูให้สมผัสเอาเราอยากรู้เรื่องเค็มก็สมผัสเอาจะได้คําตหรือความหิวความอิ่มอธิบายไม่ได้ ผมหิวเป็นอย่างไรคนทุกหิวจะไปอธิบายคนที่ไม่หิวไม่รู้จักแต่คนที่หิวเขาจะรู้จักเองคนที่อิ่มเมื่อเขาได้กินอาหารเขาจะรู้จักเองเออผมหิวเป็นอย่างนั้นแบบ น, นี้มันอิ่มมันเป็นอย่างนี้อั น, นั้นเป็นสมมติเห็นจักเป็นการ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 เป็นแล้วมันก็ไม่มีให้เกิดให้เป็นอีกต่อไปมันถูกต้องก็ถูกต้องเรื่อยไปผมไม่ถูกต้องเกิดเพื่อไม่ได้ในความถูกต้องอันกายเจเรานี่เป็นอย่างนั้นเมื่อทำเฉบมันก็เฉดไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นชาติสุดท้ายผลพบ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 ทำให้ไม่มีทำให้ไม่มีที่อาศัยม่จอนรับบอกคืนไม่ให้ค่าจึงไม่มีที่ที่เกิดความถูกต้องความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นม่ได้ภาษาจิตวิญญาณไม่ใช่ภาษาวัตถุจิงของจึงเ่านี่ จึงมีวิธีปฏิบัติวิชากรรมาฐานจนวิชาที่ตรงๆสัมผัสดได้ทันทีมีกายมีจิตอาศัยกายอาศัยจิตใจในี่เป็นที่เกิดแห่งความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็ต้องประกอบอันมีจริงจริงชาชชิดเอาเหตุเราผลมาอธิบาย งั้นพระพุทธเจ้าได้สอนรู้เฉียนเข้าเหยียเฉีนออกขณนะรู้สึกตัวตำไมคู่เฉียนเข้ามาเหยียเฉีนออกโดยสมบัติกับคว ร, รู้สึกตัวจริงๆแม้นะก็อธิบาตไม่ได้ผู้ที่คู่เฉียนเข้ารู้สึกตัวขณะที่คู่เฉียนเข้ารู้สึกตัวขณะที่คู่เฉียนออก เราสมกัตอย่างนี้มันเป็นการรู้สึกตัวที่กายมีสติไปในกายเรียกว่ามีสติไปในกายการหมายธรรมมันก็จน ม, มีสติสติมันจะเกิดก็เพราะการประกอบขึ้นมาไม่ใช่นั่งเฉยๆคิดเอาเอาเหตุเอาผลอนั่นเกิดขึ้นมาได้ เป็นกินตะยานใครก็รู้คิดเอาใครก็รู้ใครก็ตอบได้แต่ว่าทำไม่เป็นมีเหมือนกันมันก็หลักสูตรมีหลักสูตรก็หลักสูตรทานตะกรรมอาศารรือลายต่างๆ ก็มีภาษาบอกภาษาพูดภาษาอีสานเขพูดว่าตาสารกระดงฝัดเขา้าก็เรียกว่ากะอกาความหายนยสองความสามทุกที่บนย่อสองหายย่อสี่บนยอ่อหายยสองความสามถูกที่ ภาษาสารด้งผัดเข้าจะเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนได้แต่ถ้าจะสารจริงก็จับจริงๆยกยังไงข้ามย่างไามางไมือต้องไปสัมผัสกับเส้นตอกให้มือมันทำให้มันเคยชินถ้ายกตอกไม่เป็นตอกก็หักไม่เป็นกับด้ง แต่คำพูดไม่เป็นกระด้งต้องมือไปทําระหว่างมือจับตกระหว่างข้ามระหว่างยกระดับยังไงยกยังไงตรงไหนถ้ายกขัดกันมันก็เป็นหลายขัดตรงที่สองยกสี่ยกตรงไหนสี่ยังไร ยกไม่ถูกต่อ ก, ก็ไม่เข้ากันจัดไม่เข้ามันขัดกันยกสี่ยกสองน้ำสาวม 3, ันกันแต่ว่ามันขัดมันไม่เข้าต้องมีลวดลายของมันถ้าถูกลวดลายก็ยกจัดเข้าดีขังง้มได้สารคู่ถังก็ขังน้ำได้สารลายเก่า อันนี้เป็นมาษาอัตกรรมภาษาดนตรีก็เรียกว่านูดนูดใครก็ว่าได้แล้วล่องเพลงก็ล่องได้ล่องได้ล่องเพลงอ่านดังสืก็มาล่องแต่ถ้าเล่ น, นดนตรีให้มือเป็นเสียงเพลงที่เป็นนูดที่ล่องเพลงนั่นําเป็นไหม้ได้เป็นเสียงดนตรี ไปกับเสียงเทลงจึงจะเข้ากันได้มายถึงเป็นรุ่นใจดาร้องโดยภาษาธรรมดาจะไม่ไพเราะอันนี้เรียกว่าหัดถ้าไม่หัดทำไม่เป็นหัดคำวฐานนี่เขต้องหัดใจกลายเป็นเครื่องมือให้หัดมีจิตใจเป็นเครื่องมือให้หัด อย่าเอไปหาดอย่างอื่นอย่าให้กายมันเป็นไปเองอย่าให้ใจมันเป็นไปเองถ้ากายเป็นไปเองนั่นก็ไปตามลสถงโลกโลกมันมีรสชาติใจก็มีรสชาติเฟินไปในกามเฟินไปในความใคร่มันง่ายมันไหลตอบมานไหลง่ายมันน้ํมหลงจาก กูเขาเหลิ่นสู่ที่ตมถ้าปล่อยเป็นไปเองมันก็ไปแบบนั้นตามันมีหูมันมีจมูกเลี้นงกาใจมันมีมีรูปมีรส ม, ม, มีกลิ่นมีเสียงเป็นคู่ลสที่มันเกิดจากตาจากหูจากจมูกเลี้นงกายใจมีคู่ถ้ามีสติตรงนี้ ก็เป็นด่านแห่งเกิดแห่งความหลงเป็นด่านที่เกิดความหลงได้เราเคยเป็นทุกขเป็นทุกข์พสัมผัสวันนี้เรามาหัดให้มีสติเป็นอานาจใน ใ, ใจเวลามันคิดอะไรลูมันเห็นอะไรก็ลู่มันได้ยินอะไรก็ลู่ มันได้กลิ่นอะไรก็รู้มันได้รสอะไรก็รู้ย่อให้รสเป็นรสเปลด่ยนรสเข็มใม่รสเปลดรสเข็มรถหวานรสเปรี้ยวเป็นรสรู้อห้รู้ึกตัวเห็นเค็มจึงรู้ว่าเข็มเข็มก็คือเค็มคือมันเห็นการรสพระธรรมเนี่ยมันคือรสเดียว ไม่มีคำ ว, ว่าเผ็ดว่าเค็มคือรสเดียวควมเผ็ดก็คือรสความเค็มคือรสควาหวานคือรสสุขคือรสทุกข์คือรสดีใจฉสีใจคือรสรสของโลกก็มีมากมายหาป้อนไปไหวแต่รสประทับมีรสเดียวคือรู้จึกตัวรู้จึกตัว มันเป็นรถที่จะน่ารถทั้งปวงได้เวลามันหลงเห็นรู้สึกตัวเวลามันหิวรู้จึกตัวเวลามันอิ่มรู้จึกตัวเวลามันจุกรู้สึกตัวเวลามันทุกรู้จึกตัวความฉุกความทุกเป็นรถของโลกความรู้จึกตัวเป็นรถของธรรมอิ่มรถพระธรรม เรียกว่ามันก็เหงื่อกรเกลเจ็บเจ็บตายได้ไม่มีความเจ็บความเก็บความตายในวนลดประจำเนี่ยอันลดของโลกหรือข้าวทุกวันจะยังเจ็บังเจ็บรังตายเพราะนั้นเราจะใช้กาใช้ใจอย่างไรเราก็มีกำลังที่จะ พัฒนากายใจของเราได้ให้มันได้คุณประโยชน์ให้ได้ความถูกต้องถ้าหมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็พลาดไปปล่อยให้ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจมากเป็นที่เกิดความไม่ถูกต้องให้ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจอยู่เสมอ ไม่ได้สอนกขาสอนใจให้เกิดความถูกต้องก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่ชิน้นหลงแลว้วหลงอีกโกรธแลว้วโกรธอีกทุกแลว้วทุกอีกรั ก, ลล ก, ลล ก, กแล้วลักอีกเกลียแล้วเกลียดอีกที่ใจเฉยใจอยู่เช้นนั้นเวียนว่าจะเกิดแล้วเราพึงหันมันจะจบเป็นความหลงไปข้างสุดท้ายความทุกข์ข้างสุดท้าย ความโกรขั้นสุดท้ายเมื่อมีความหลงขั้นสุดท้าแล้วมันก็ไม่มีพบไม่ชาติที่ให้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรทีเกิดกับรูปกวานามมันคือภาวะที่รู้ที่เห็นถาอมคว่าเป็นจริงถ้าไม่รู้เหือนว่าต่เกิดเหือนว่าต่เกิดใน พบในเจ้าต่างๆนอกจากความเจลความเียบความตายในความทุกข์ก็มีความเกลี่ยความเียบความตายในความรักก็มีความเกลี่ยความเียบความตายในความสุกก็มีความเจอความเียบความตายมันหายไปเคยสุขเท่าไหร่มีไหมเคยทุกข์เท่าไหร่มันมีไหม เราก็ยังเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ทั้งๆที่ไม่มีความสุขความทุกข์มันไม่มีเป็นอาการที่เกิดสมมติหัเญหญตุขึ้นที่จริงมันไม่เป็นอะารความถูกต้องคือไม่เป็นอนไรเมื่อรับใช่ความสุขมาหลับใช่ความทุกข์เป็นปกติเกระบวนการชีวิตเป็นปกติ รางของจิตร่างของชีวิตคือปกติถอนีก่ความเก็บความตายไม่ช่ไม่ใช่ใ ช, ชีวิตแต่นั่ น, นเป็นรูปเป็นนามรูปประทับนามธรรมไม่มีความหมายถอนแก่ความเก็บความตายไม่มีความหมายชีวิตที่มีความหมายไม่ไม่เป็นอะไร มันหลุดพ้นจากความเจ็บความเี็บความตายถ้าเราไม่เฝึกหัดต่เป็นทุกข์เรื่องนี้ในความเจ็บก็เป็นทุกข์ในความเจ๋อก็เป็นทุกข์ในความตายก็เป็นทุกข์ตอนทั้งทีมันเป็นของมันอยู่แล้วก็ยังเป็นทุกข์เอามาเป็นตัวเป็นตนเราทุกข์คือเราทุกข์ความทุกคือเรา ความเจ็บขื้นเราความตายขึ้นเราเราก็อยู่ในความเจ็บความเจ็บความตายเกิดแต่ความคิดก็ชอบไปอยู่ในความคิดตั้งที่ความคิดเกิดขึ้นลอยๆเราก็เข้าไปอยู่ในความคิดเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความคิดง่ายนิดเดียวความคิด ถ้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทําให้สอนจิตวิญญาณจริงต้องสอนตรงนี้แหละอยากเข้าไปอยู่ในความคิดเหมือนันคิดอยากเข้าไปอยู่ในความคิดให้มีความรู้จักตัวได้ความคิดเหมือนเป็นใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณได้ ถ้าไม่สอนตรงนี้ไปเอาวิธีอันอื่นเพ่งเข้มเพ่งคัดหรือบังคับปิดจนจิ ต, จตเสื่อมไม่ได้ประโยชน์จากจิตเหมือนไม่คิดเกิดสมรรถะสงบไม่เหมือนกันหลังคับเป็นไปก็สงบ มันสงบมันก็ไม่เห็นอะไรเวลาความสงบเกิดขึ้นปิดทุกสิ่งทุกอย่างบางทีหาตัวยังก็ไม่เจอได้เอามือคลำหาไปคํำหัวคหาขาาเำแขนแ้วมันสงบจริง เมื่อมันสงบก็เกิดลอยขึ้นมาเกิดสีเกิดเสงเกิดนิมิตต่างๆไปทางโน้นไม่เด้ฝึกตนสอนตนแต่หัดจากนั้นก็มีแต่นั่นเป็นสมรรมมฐานเฉียเวลาแบบนี้เราหัดรู้ มันสงบก็ดูมันจะได้เข้าไปอยู่ในความสงบมันพุ่งซ่านก็ดูไม่เข้าไปอยู่ในความพุ่งซานการสอนให้สงบสอนง่ายฝึกง่ายการสอนในลู่นี่ฝึกยากสักหน่อยแต่มันถูกต้องมันจบเป็น การชนให้สงบบริกรรมเข้าไปดับตาเข้าไปเพ่งเข้าไปไม่มีโอกาสที่จะกระดูกกระดีกได้บางทีเกิดตัวเฉ็งเคยทำมาแล้วแบบนั้นบางทีเกิดนิมีดเลิดในมีดเกิดลดกระเจาในมีดติดนิมีด เกิดปิติเกิดความสุขในนิมิตจนความเทศจความจริงต่อไม่ติดหูติดจิติดใจด้วยรือความสงบมันก็ติดไปทำงานคิดถึงคิดถึงแต่ห้องพระเมื่อไยจะเข้าจะได้เข้าไปนั่งห้องพระก็ติดเหมือนกันติดบริกรรมก็ อะไรก็พุทธโธพุทธโธติดเหมือนกันเกี่ยวข้าวกวับพุทธโธดำนากับพุทธโธนวดข้าวกับพุทโธปิดไปเลยแต่ว่าเวลามืนโกรดเวลาหมือนทุก็จะมีอยู่ไม่พุทธโธก็ช่วยไม่ได้บริกรรมมาเป็น สิบปียี่สิบปีพุทโธพุทโธนี่แต่ยังมีความโกรธความโลภความหลงมีกิเลสตัณหาหลาาักะแบบนี้มืาเผึกตัวนี้หนะ่อตรงๆกันเลยต่อหน้ากันเลยเกิดแล้วก็เกิดมาจะได้รู้ควารู้สึกตัวที่มันเป็นจริงตักท่วงตรวจสอบสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจนี่ ก็ถูกสั่งสอนทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างจทนที่ความรู้สึกตัวจะหมดไปมันไม่เป็นเช่นนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับกากับใจรู้สึกตัวความรู้สึกตัวงอกงามตรงที่ตรงกันข้ามในความหลงก็ให้เกิดความรู้สึกตัวความหลงงามขึ้นตร่นี้ ในความทุกข์ก็คือความรู้จึกตัวความทุกข์ความรู้จกตัวงอกงามขึ้นตรงนี้จเจริญขึ้นที่นี่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามเหมือ น, นกับปุ๋ยฉกปกทำให้พืชงอกงามความรู้จักตัวงอกงามในความไม่รู้จักตัวถ้าใช่เป็นถ้าใช่ไม่เป็นในความไม่รู้จักตัวความรู้จักตัวก็เสื่อมไป เสนความหลงเป็นความหลงหลงที่ใดก็หลงทุกทีรวมด้วยตัวไม่มีเลยะหารไม่เป็นก็ไม่งอกไป่งามกวัดไปใหต้องอาศัยนิมิตเคื่อนบายช่วยเคื่อนไว้มือเคลื่อนไหวให้เดินจงตรง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้จักตัวเรียกกลับมากลับมาอาศัยพลังงานเครื่องกระตุน้นดึงกลับมาเหมือนกับเป็นเช่นนั้นหรือถ้าเดินอยู่ก็กลับมาลู้ที่นี่ มันทุกข์ก็กลับมาลู่ที่นี่มันสุข ก, กลับมาลู่ที่นี่มันหลงกลับมาลู่ที่นี่ที่ตั้งไว้อย่างนี้ถ้าหัดเป็นแล้ก็ไม่ต้องมีที่อาศัยในตัวมันเองในความหลงก็มีควมไม่หลงเองในความทุกข์ก็มีคมไม่ทุกข์เองมันตรงกันข้ามมันถูกต้องกับไม่ถูกต้อง ไม่เอาเฉยอื่นมาประกอบในตัวมันเองจิตดูจิตจิตก็ดูจิตเองขายก็ดูขายเองผมรู้สึกตัวเมื่อมันมีแล้วไม่ได้ทราบงั้นบ้านเรือนมัน ความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้ในความไม่ถูกต้องเราจึงต้องฝึกมันเพื่อจะได้ใช้มีอะไรที่เราได้ใช้มาสี่ปีหปีที่ผ่านมาเราใช้วบบ น, นี้มีไหมตําเด่นได้ไหมหรือเหมือนเดิม ถ้าเหมือนเดินอยู่ก็ต้องทีก็ปล่อยถ้าเราทำ็นแล้วมันได้ใช่จริงจริจริงที่มันใช่ตรงตัวที่สุดคือว่าเก็บความตายใช้ได้อย่างงดงามไม่บอกผู้ที่ดูเดนไม่ต้องเป็นห่วง ล้วดูเ่อนี้มาได้ฝึกัดเรื่องนี้มาสี่สิบปีกว่าแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมันไร่ใช่ถ้ามันถึงโอกาสที่เป็นเช่นนั้นมันก็ยังเป็นศาตรเป็นศิลป์แไม่เป็นเช่นใดเพราไม่ใช่มีศาตรมีศีล์ เงินนักวีลาเมื่อลงสนามก็มีฉาบมีชิ้นแสดงออกหมอหมายแพทย์เมื่อมีโอกาสฉันคนป่วยก็ได้มีฉาบมีชิ้นแสดงออกมายช่างนักกรรมนวกรรมสถาปัตยกรรมเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็มีชาบมีชิ้นแสดงออกบอกผิดบอกทูก พุทธศาสนาเนี่ยก็ใช่ตรงนั้นแหะที่มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมากับกายกับใจเปันศาตรเป็นฉินเดียวนี้ก็ไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นศาสตร์ฉินไม่ความไม่ถูกต้องก็ไม่ความถูกต้องทุกโอกาสเหมืนเดียวกันหมดใครก็เหมือนกันหมดเหมือนคนอื่นไว้ถูกต้อง เพราะหน้าที่เราจะต้องบอกต้องสอนกันให้มันเกิดความถูกต้องโดยเฉพาะวิชควาคณิตฐานเป็นศูนย์รวมความไม่ถูกต้องกับความถูกต้องที่เดียวกันหัดแบบเดียวกันตัวต่อตั ว, ตวอยู่ด้วยกันอย่างนี้นก็เป็นบรรยากาศที่ดีมีวิธีอย่างนี้ ครมีวิธีอย่างอื่นก็ช่วยคิดกันดูแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วแห็นที่ดีแล้วไม่มีไม่มีที่ตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติมแก้ไขได้ตัดไว้หมดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ได้ตัดไว้ใน เรื่องของกายของเจนี่มไม่ถูกต้องความถูกต้องตัดไปหมดบอกไปหมดทุกเงียทุกงงมงเป็นโมดกที่จะมาศึกษาไม่ต้องจนเรื่องนี้อย่าไปจนเลยนี่เราก็จะอยู่ที่ไหนก็อย่าที่งาน น, นี่ ให้เป็นเรื่องชีวิตชีวาจริงๆจะอยู่คนเดียวจิวกบหมูมันก็ไม่เกี่ยวเรื่องที่จะเกิดขึ้นความถูกต้องไม่ถูกต้องขึงข้นสวนตัวของใครของมันอยู่ยเสมอสมควรเจอเวลา